ในไหนอยากมาบ่มเพาะกำลังจิตให้แกร่งขึ้นก็ควรให้เป็นไปตามนั้นถ้าแค่รักษาสัจจะง่ายๆไม่ได้แล้วจะเอากำลังที่ไหนไปรบกับกิเลสระดับทําลายภพชาติกับใครไหวพอสู้อดทนเพียนพยายามผ่านไปสามวันขึ้นวันที่สี่ก็เริ่มเห็นความงอกเงอยออกดอกออกผลของสติคล้ายจิตเป็นม้าที่พยดน้อยลงมาก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 ก็คือจิตชนิดหนึ่งผลละจิตก็คือจิตชนิดหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเราในวินาทีนี้สักหน่อย <c oughs> ก็ตัวเราในวินาทีนี้ยังไม่มีมีแต่สภาพจิตที่เดี๋ยวก็นิ่งเดี <c oughs> ๋ยวก็แส่สายแล้วจะไปหวังเอาสภาพจิตอื่นมาเป็นรางวัลให้ใครเมื่อจิตหยาบ